แม้จะได้รับการยกย่องจากพระาศาสดาและเพื่อนพระมารีในพระาศาสนามากถึงปานนั้นพระสารีบุตรก็ยังประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างยิ่งดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งเมื่อออพรรษาแล้วพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพระสงค์จะจาริกไปชนบทเพื่อประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลลาพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วออกไป ด้วยบริวารของตนมีภิกษุไปส่งท่านกันมากพระสารีบุตรเถระได้ทักทายปรสาสัยกับภิกษุทั้งหลายผู้มีน้ําใจไปส่งตามสมควรและให้เหมาะสมกับฐานานุรูปของท่านนั้นนั้นแล้วบอกให้กลับภิกษุรูปหนึ่งคิดว่าจะเป็นการดีหาน้อยไม่ถ้าพระเถระจะทักทายปราสายกับเราแล้วบอกให้กลับแต่เนื่องจากมีภิกษุจํานวนมากด้วยกันพระเถระ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 พระสารีบุตรทนงตนว่าเป็นอครส า, าวกเมื่อจะจากไปแกล้งเอาชายสังคติกระทบข้าพระองค์แล้วมิได้ขอโทษแม้แต่น้อยพระศาสดารับสั่งให้พระรูปหนึ่งไปตามพระสารีบุตรกลับมาขณะนั้นเองพระมหาโมคลานะและพระ อ, อ น, นุ์ได้ทราบเรื่องนั้นคิดว่าพระบรมศาสดาจะไม่ทรงทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็หาไม่ แต่รับสั่งให้พระสารีบุตรพี่ชายของเรากลับเข้าไปเฝ้าคงจะทรงประสงค์ให้บรรลือสีหนาตคือกล่าววาจาอันอาหารประทับใจท่ามกลางพุทธบริษัทเราควรให้พุทธบริษัทประชุมกันดังนี้แล้วที่ประกาศให้พิสุทิ์ทั้งหลายในเชตวนารามประชุมกันเพื่อฟังการบรรลือสีหนาตของพระธรรมเสนาบดีณเบื้องพระพักแห่งพระาศาสดา พิสุสงมูใหญ่ประชุมกันแล้วเมื่อพระสารีบุตรเข้าเฝ้าแล้วพระศาสดาตรัสว่าเพื่อนพรหมจรีรูปหนึ่งกล่าวหาเธอว่ากระทบเขาด้วยชายสังคติแล้วไม่ขอโทษลีกไปสู่ที่จริ๊กสารีบุตรว่าอย่างไรนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพระสารีบุตรจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกพึ่งเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มิได้อบรมกายคตาสติภาวนากระทบเพื่อนพรหมจรีรูปใดรูปหนึ่งแล้วไม่ขอโทษหลีกไปสู่ที่จริกพระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำเลือดน้ำหนองบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็มิได้เกลียดชังสิ่งนั้น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 ลมย่อมพัดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างน้ำลมไฟย่อมไม่เกลียดชังไม่เริดระอาต่อของเหล่านั้นชันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นมีใจเสมอด้วยน้ำลมและไฟไม่มีเว้นกับใครไม่คิดเบียดเบียนใครต่อจากนั้นพระธรรมเสนาบดีได้เปรียบตนเองกับผ้าเช็ดทุลีเด็กจันทาน โคเขาขาดสตรีหรือบุรุษผู้เกลียดชังซากศพงูคนประคองภาชนะน้ำมันโดยในว่าอันว่าผ้าเช็ดทุลีย่อมเช็ดได้ทั้งของหอมของเหม็นของสะอาดและของโสโครกเด็กจันทานถือตะกร้านุ่งผ้าเก่าเข้าไปยังบ้านหรือนิคมย่อมตั้งใจนอกน้อมเข้าไปโคที่เขาขาดแล้วได้รับการฝึกดีแล้วย่อมสงบส ง, งยม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 หรือซากศพสุนัขที่มีคนมาผูกไว้ที่คอฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นย่อมอึดอัดระอาต่อกายอันเปื่อยเน่านี้พระองค์ผู้เจริญอันว่าบุคคลผู้ประคองภาชนะน้ํามันข้นมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นบริหารกายนี้ประคับประคองกายนี้ซึ่งมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ มีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เนืองนิดข้าพระองค์ย่อมระอิดระอาต่อกายนี้อันหนึ่งบรุษผู้ประคองถาดน้ํามันที่เต็มและมีคนอื่นถือดาบมันคมกริบอยู่ข้างหลังพลางบังคับให้ถือถาดน้ํามันโดยดีถ้าหกเพียงหยดเดียวจะประหารชีวิตเสียบุรุษนั้นย่อมตั้งใจประคับประคองถาดน้ํามันนั้นอย่างไรข้าพระองค์ก็ประคับประคองกายของตนฉันนั้น พระองค์ผู้เจริญสติอันเป็นไปในกายอันภิกษุใดมิได้เข้าไปตั้งไว้ด้วยดีแล้วภิกษุนั้นพึงกระทบเพื่นอนพรมจรย์แล้วหลีกไปโดยมิได้ขอโทษเป็นแน่แท้เมื่อพระธรรมเสนาบดีกล่าวคุณของตนอยู่อย่างนี้ มหาปทุวีได้แสดงอาการวันไหวแล้วขณะที่พระเถระเปรียบตนด้วยผ้าเชตุลีเด็กจันทานโคเขาขาดและถาดน้ำมันนั้นภิกษุผู้เป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ฝ่ายพระอรหันต์ขีนาศพปรงธรรมสังเวชขณะนั้นเองความเร่าร้อนในสเีรระได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กล่าวตูหมองปลงแทบพระบาททุคนแห่งพระาศาสดาแล้วทูลว่า พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนผานเป็นคนหลงไม่ฉลาดได้กล่าวต่พระธรรมเสนาบดีด้วยคำเท็จขอได้โปรดอดโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดเพื่อความสมรวมระวังต่อไปพระศาสดาตรัสว่าการทำความผิดแล้วรู้สึกผิดแล้วขอโทษเสียเพื่อสารวมระวังต่อไปนั้นเป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าดัางนี้แล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่า สาีบุตรท่านควรอดโทษให้โมคะบุรุษนี้ก่อนที่ศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงพระธรรมเสนาบดีรีบลุกจากอาสนะนั่งกระโยงประคองอัญชลีและกล่าวว่าผู้มีอายุผมอดโทษให้ท่านถ้าโทษไรโทษไรของผมมีอยู่ขอท่านได้โปรดอดโทษให้ผมด้วยภิกษุทั้งหลายได้เห็นดังนั้นชมเชยพระสารีบุตรว่า เป็นผู้มีคุณธรรมไม่ต่ำสามมิได้โกรธหรือถือโทษภิกษุผู้กล่าวตูเลยแม้แต่น้อยอย่างนั่งกระโยงประครองอัญชลีขอให้ภิกษุนั้นอดโทษตนสีอีกพระศาสดาทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย คนเช่นสารีบุตรนั้นใครๆจะทำให้โกรธไม่ได้ภิสุจทั้งหลายจิตของสารีบุตรเหมือนแผ่นดินเหมือนเสาเขื่อนดังนี้แล้วตรัสย้าว่าบุคคลผู้มีจิตเสมอด้วยแผ่นดินย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงท่านเป็นผู้มั่นคงเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้มีวัดดีพองไส่อยู่ประดุดห่วงน้ำลึกใสแจ๋วไม่คุณมัวด้วยตม พระดาดูเถิดดูคุณอันไม่ตำซามของพระเถระผู้เป็นที่สองรองจากพระบรมศาสดาและเป็นเลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายทางปัญญาเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนและมั่นคงอย่างยิ่งไม่วันไหวด้วยโลกธรรมอันความพอใจหรือความไม่พอใจถูกต้องไม่ได้ใจของท่านพองใสยอยู่อย่างนั้นอารมณ์อะไรอะไรทำให้คุณมัวไม่ได้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจเพราะได้และไม่ได้ปัจจัยหรือสกสาระสัมมาณะพระดาบุคคลยินดีมากเมื่อได้เขาจะต้องยินร้ายมากกว่านั้นเมื่อเสียและความสูญเสียจะต้องมีอย่างแน่นอนเตรียมใจไว้รับเถิดเร็วหรือช้าเท่านั้นพระดาลองตรองดูให้แน่ชัดเถิดในชีวิตของปุถุชนนั้นบุคคลเคยลุ่มหลงเพลิดเพลินกับสิ่งใด ยมจะต้องทุกข์ทรมานกับสิ่งนั้นพูดอีกทีหนึ่งสิ่งใดที่ให้ความทุกข์ทรมานอยู่เวลานี้เขาเคยเพลิดเพลินลหลงไหลกับสิ่งนั้นมาบ้างแล้วหรือไม่ในอดีตลองตรวจดูลองสำรวจจะเห็นและจะเห็นทุกเรื่องไปที่เป็นโลกิยรมหรือโลกิยสมบัติพระดาพระอริยะเจ้าท่านกล่าวว่าน้ำย่อมขุนเพราะมีฝุ่นละอองหรือเปลือกตมฉั้นใด ใจของคนก็ย่อมคุณมัวเพราะเปือกตมคือกามน้ำธรรมดาย่อมเสียบแทงผู้เหยียบมันให้เจ็บช้ำฉันใดน้ำคือกามย่อมเสียบแทงใจของผู้หลงในกามคุณให้ชอกช้ำฉันนั้นพระดาพระธรรมเสนาบดีท่านระอิดระอาอยู่เบื่อนาอยู่ซึ่งอัตภาพนี้อัตภาพอันเปรียบเสมือนซากงูหรือซากสุนัขไม่มีความกำหนัดไม่มีความพอใจ อัตภาพอันเป็นเสมือนถาดน้ำมันที่มีรูทะลุพระดาคราวหนึ่งมีผู้มาถามพระพุทธองค์ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งราคะโทสะโมหะ ความยินดีความไม่ยินดีและความกลัวมีอะไรเป็นเหตุความตรึกในใจเกิดแต่อะไรแล้วดักจิตไว้พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอัตภาพนี้แหละเป็นเหตุแห่งราคะโทสะโมหะความยินดียินร้ายและความกลัวเกิดแต่อัตภาพนี้ความตรึกในใจก็เกิดแต่อัตภาพนี้แล้วดักจิตไว้ อันว่าย่านไสรเกิดจากต้นไสแล้วแผ่ปกคลุมไปในป่าชั้นใดความคิดชั่วต่างๆเกิดขึ้นในใจเพราะมีตัณหาเป็นแดนเกิดแล้วแผ่สร้างไปในวัตถุกรรมทั้งหลายอัตภาพนี้เกิดจากตัณหาผู้ฉราดรู้ว่าอัตภาพนี้เกิดจากสิ่งใดแล้วบรรเทาสิ่งนั้นเสียจงฟังเถิดบุคคลเช่นนั้นแหละย่อมสามารถข้ามห่วงกิเลส ท, ที่ข้ามได้ยากนี้เสีย เป็นผู้ไม่มีพบอีกต่อไปพระดาเอย๋ยสมัยเมื่อมหาอมาตแห่งแขวนมคตและวสการพราหมณ์เตรียมการสร้างเมืองใหม่ในเขตปาตลิคามให้ทูลอาราธนาพระาศาสดาและพระภิกษุสงฆ์สาวกบริวารไปเสวยในนิเวศของตนในเขตปาตลิคามนั้นเมื่อเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จออกจากนิเวศของมหาอมาตสุนิธ h a และวสการพราหมณ์ตามทรงเสด็จไปเบื้องหลังพร้อมกับตั้งใจว่าวันนี้พระสมณโคดมบรมศาสดาเสด็จออกทางประตูใดจะตั้งชื่อประตูเมืองตรงนั้นว่าประตูโคดมเสด็จข้าแม่น้ำคงคาตรงท่าใดจะตั้งชื่อท่านั้นว่าท่าโคดมพระมหาสมณโคดมบรมศาสดาเสด็จยังแม่น้ำคงคาอันมีน้าเปี่ยมฟัง พอกาดื่มได้ขณะนั้นบุคคลผู้ต้องการข้ามฝั่งบางพวกสแสวงหาเรือบางพวกผูกแพแต่พระศาสดาพร้อมด้วยพระสาวกทรงหายจากฝั่งนี้ไปปรากฏณฝั่งโน้นด้วยอำนาจฤทธิ์เร็วเหมือนบรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นทรงเห็นพวกมนุษย์วุ่นวายอยู่ด้วยการหาเรือหาแพจึงทรงเปล่งอุทาห์ด้วยความเบิกบานพระไยว่า ผู้ใดข้ามห่วงน้ําใหญ่คือสังสาระและสะคือตัณหาด้วยสะพานคืออริยมรรคได้แล้วไม่เปื้อนเปือกตมคือกามเมื่อคนทั้งหลายจะข้ามน้ําแม้น้อยๆยังต้องอาศัยเรือแพแต่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกไม่ต้องอาศัยเรือแพก็ข้ามได้ดูก่อนผู้สแสวงหาธรรมพระตถาคตเจ้าและพระสาวกของพระตถาคตเจ้า มีพระสารีบุตรเป็นต้นเป็นอย่างนี้คือมีปกติอดทนสิ่งที่คนทั้งหลายทนได้ยากเอาชนะสิ่งที่คนทั้งหลายเอาชนะได้ยากและทําสิ่งที่คนทั้งหลายทําได้ยากจึงได้รับสิ่งที่คนทั้งหลายรับได้ยาก